ทีนี้ต่อไปนะครับว่ายานที่กําหนดคติ5นะพระพุทธเจ้ายังมียานที่กําหนดคติทั้ง5นะครับถามว่าคติ5นี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับคือคตินี้แปลว่าที่ไปนะได้แก่นรก1เดรัจฉาน1เปรต1มนุษย์1แล้วก็เทวดาหนึ่งครับเทวดานี้รวมถึงพรหมด้วยนะครับในคติทั้ง5นั้นคือนิรยคตินะครับ2ติรชานคติ3เปตตติ4มนุษย์สติ5 เทวคติในคติห้าเหล่านั้นนะครับมหานรกแปดวังแล้วหัวใจห้ามสันน่นอย่นงนพรนพระอาหารหันต์แล้วไม่มีคติแล้วครับก็พระไม่มีปฏิสนธที่ในภพใดอีกแล้วคือเมื่อเมื่อสิ้นภพนี้ก็ไม่มีคติในภพใดที่จะไปเกิดอีกแล้วนะครับเพราะคตินั้นจะเกิดขึ้นได้เพราะมีตัณหาและอุปาทานอยู่นะครับผู้ที่ยังมีตัณหาและมีอุปาทานก็ยังมีคติอยู่ แต่ก็สมควรแก่เจตนากรรมนั้ น, น, นส่วนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีคติเหล่านี้แล้วแต่พระองค์มียานที่กําหนดรู้คติทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดนะครับที่เช่นคติคือนรกเนี่ยวันนรกเช่นมหานรก8มีสันชีวนรกเป็นต้นอุสธานรก16มีกุกุลนรกเป็นต้นนะครับและก็โลกันตนรกรวมทั้งหมดนี้ชื่อว่านรกเพราะอธิว่าไม่มีความเช่มชื่นนะครับไม่มีสัตว์นรกในนั้นนั่งยิ้มเลยสักคนเดียวนะครับเห็นไห มีแต่ทุกโดยส่วนเดียวและชื่อว่าคติเพราะอันสัตว์พึงไปตามยถากรรมเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่านิรยะคติแม้สีตะนรกที่มืดมิดและเย็นที่สุดก็รวมลงในนรกเหล่านี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนรกนะครับรายละเอียดพิสดารก็โปรดดูได้ในในในในเ น, นมิราชชาดกนะครับแล้วก็สังจิตจะชาดกด้วยนะนะมีหลายแห่งนะครับ ในพระสูตรก็ดูในพาระบันดิตสูตรก็มีนะครับแล้วก็ในมหานิเทศก็มีส่วนหนึ่งนะครับก็มีอยู่หลายๆแห่งนะครับเพราะนั้นใครทำเหตุไว้ก็ยังไงยังไงก็รีบทำกุศล น, นีนะครับทำไม้ทำกุศล น, นี้ก็โต้ไผโต้ไผนะครับต่อไปนะครับพวกเดราชาหนัคติก็คือพวกนอนมแมลงป่องนะครับพวกมแมลงพวกงูพวกนก สุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกเป็นต้นนะครับเชื่อว่าเดราัชานเพราะไปตามขวางคือมันขวางไงครับเอาก็มนุษย์เดินบนอนะ่ะมันก็เอาหัวไปก่อนเนี้ยนะครเพว่าพวกไปขวางเหมือนนเลยอันเช่นเดรัชานกรถาก็คือคำพูดที่ขวางสวรรค์ขวางนิพพานทั้งหลายนะเรียกเดราัชานกรถานนะอันพวกสัตว์นะก็ขวางสิครับเอาถ้าในขณะที่พูดถ้าจุติตรงนั้นไปสุคติได้ไหมครับเดรัชานกระถางอันขวางสวรรค์ขวางนิพพานหมดนะครับ ขณะเดรัชานขณะที่กําลังเดรัชานอยู่นะนะครับถ้าไม่เห็นโทษของเดรัชานคาถาเป็นต้นก็ยังรักษาสัมมาวาจาไม่ได้ถ้าไม่มีสัมมาวาจาก็ไม่คู่ควรกับการตัดสุรูอยู่แล้วนะครับนี้ต่อไปว่าคติคือสัตว์เดรัชานเหล่านั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าติรชานคนะตินะครับนี่นะครับที่มันร้องเนี่ยนะครับพวกนกพวกจิงเรทั้งหลายแล่นี่นะสัตว์ทั้งหลายที่มันร้องอยู่เนะี่ย ดีรชาณคตินะครับถ้าเราไปชอบเสียงนกร้องอชอบอ ะ, อะไรที่มันเพลาะเพลานมีนกร้องเป็นต้นเนี่ยครับมันมันชัดเจ น, เนมันเป็นไปได้ไหมว่าเราโอกาสที่เราจะไปเกิดเป็นมันเนี่ยได้เกิดปเป็น<ด>ปนกนะครั บ, รบ อ, อย่างนั้น ก็เป็นได้นะครับก็ยังจําเรื่องของนายโกตุฮลิกะนะครับนั่งดูนอนดูหมาไว้อืมเออหมานี่มันดีมันกินอิ่มนอนหลับไอเราเป็นคนยังหาไม่ค่อยจะพอทิ้เลยสู้หมาไปเลยนอนเคียดไปตายเลยเป็นหมาเลยนะครับตอนตอนนี้เขามีชมลมดูนกชมลมอ่าไปเที่ยวชมผีเสื้องามๆอะไรอย่างเงี้ยครับ<ำ>เอออย่างเงี้นี่ก็ของไครกับของไครแหะครับ โลกนี้เนี่ยตอนนี้ใครใขรค้าค้าใครไขรขายขายนะกันเหมือนกับยุคกันแล้วนะกรุงสุขโขทัยนะครับใครประสงค์สิ่งใดก็เลือกเอาเถิดนะครับแต่ว่ากรรมมีผลจริงนะของใครกับของใครละครับต่อไปชื่อว่าเปรตนะครับเพราะเปรตทั้งหลายมีปรทัตตุปชีวิเปรตและนิชามตันหิกับเปรตเป็นต้นนะครับคือพวกเปรตที่อดอยากหิวโหยนะครับท้องเหมือนกับ ลุกเป็นโพรงนะครับไม่ต้องเป็นเปรตหรอกครับนี่แค่คนป่วยบางคนนี่นะครับท้องไส้นี่ก็โหยมันร้อนระอรุอหมดนะครับโรคกระเพาะนี่ก็ร้อนระอรุอแล้วนะเป็นต้นนะครับเพราะความเป็นผู้หิวและความกระหายครอบงาไปคือปราศจากความสุขสบายเพราะมากไปด้วยความทุกข์เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าเปรตนะครับหิวอดอยากหิวโหยนะครับไม่มีความสุขอะไรกับเขาหรอก คติคือเปรตเหล่านั้นเพราะฉะนั้นจึงใช่อว่าเปรตคติแม้พวกอสูรกาลันชิกาสูรเป็นต้นก็รวมลงในเปรตเหล่านั้นมือนกันนะครับที่อสูรทั้งอสูรกายนะที่พระพิสุไปบินทบาตแล้วก็อดอยากหิวโหยนะครับอยู่ใกล้น้ําก็ไม่ได้กินน้ํานะครับวิ่งลงไปในน้ําก็เป็นหินเป็นทรายไปหมดนะครับก็ไม่ได้กินอะไรหรอกตัวนี้ก็รวมอยู่ในเปรตคตินะครับ ทีนี้ต่อไปถึงพวกชาวชมพูทวีปและชาวมหาทวีปทั้งสี่นะครับพร้อมกับชาวทวีปเล็กๆชื่อว่ามนุษย์เพราะเป็นผู้มีใจสูงคติคือมนุษย์เหล่านั้นเพราะเห็นนั้นจึงชื่อว่ามนุษย์นะใจสูงจริงๆนะครับถ้าทําดีก็ดีจริงๆนะครับเลวก็เลวจริงๆกันมนุษย์เนี่ยถ้าใจสูงเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้าเลวก็เลวจริงๆดีก็ดีจริงๆเลวแล้วจะชื่อว่าใจสูงได้ยังไงล่ะครับก็เอาเอาคนดีมาเป็นประธานนะครับ นะคล้ายๆกับวัดบางวัดเนี่ยมีคนเก่งอยู่คนเดียวเขาเรียกวัดนั้นเป็นวัดของบัณฑิตอะไรแบบเนี้นะก็เอาคนเดียวมาเป็นตัวอย่างนะโอ้โหวัดนั้นนักปราดนะเป็นวัดของนักปราตอะไรย่างเงี้ยนะจริงก็มีคนฉลาดอยู่คนเดียวเท่านั้นแหละเขาก็ยกย่องไปนะเป็นต้นนะก็เอาคนดีเช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้นนะครับมามาเป็นทัวห่างว่าโอ้โหมนุษย์ไม่ธรรมดานะมีพระพุทธเจ้ามีอภาราชสาวกมีพระเจ้าจสกภัทเป็นต้นนะครับครับผมได้เย็นใครมารู้ไปว่าผู้มีใจกล้าแข็งอย่างนี้ครับ อ๋นนออมีหลายในครับมีมีหลายในนะถ้าถ้อถ้าว่าอย่างนี้แล้วเออมันฟังแล้วมันเห็นจริงเห็นจังว่าเออจริงๆริงนะมนุษย์นี่ทําดีก็ดีได้จริงๆริถ้าเลวก็เลวโดยสุดจริงๆริงครับไม่มีอะไรเลวกว่ามนุษย์นะครับครับเพราะานั้นก็เขาแปลทั้งหลายในนะครับแปลหลายในนะแต่ก็ น, นี้ก็อีกในหนึ่งก็คือเอาคนสูงเอานี่มาเป็นตัวอย่างอ่ะนะเพราะพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์นะอย่างเงี้ยนะไม่ธรรมดาว่างั้นเถอะนะครับ ต่อไปมูเทพยี่สิบหกชั้นเหล่านี้คือนับตั้งแต่ชั้นจาตุมหาราชิกะจนถึงเทพผู้เข้าถึงเนวสัญญาณาสัญญายาตนะเหล่านั้นเนี่ยนะครับชื่อว่าเทวะก็เพราะว่าเล่นหรือว่าสนุกสนานชดช่วงด้วยอนุภาพฤทธิ์ของตนเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าเทพนะครับคติคือเทพเหล่านั้นเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าเทวคตินะครับทีนี้ต่อไปว่าก็คติเหล่านั้นเพราะความพิเศษต่างกัน แห่งอุป ป, ปัตติภพนะครับอันเกิดแต่กรรมเหล่านั้นเหล่านั้นฉะนั้นเมื่อว่าโดยอัจได้แก่วิบากขันและกรรมชรูปหรือกตัตารูปนะไอ้นนอคำว่าคติเนี่ยเอาอะไรเป็นประมาณครับเอาวิบากขันคือหมายความว่าเอาวิบากจิตเจตเสิกและกรรมชรูปนะครับเป็นประมาณถามว่าทําไมจึงว่าอย่างนั้นอ่ะเพราะว่าในร่างกายของเรานี้มีเดรชาเท่าไหร่ ง, งั้นเรามันเดรชาหรือมนุษย์กันแน่ใช่ไหมครับเอาพวกเขามาขึ้นบนหัวใช่ไหม พวกเขาพวกสัตว์บางอย่างมาไต่บนตัว เ, เอ๊ะมันภูมิไหนกันแน่บนร่างกายเนี่ยนะฟังไปฟังมามันวุ่นวายไปหมดใช่ไหมครับอมันเปรตหรือมันเดราชานกันแน่ใชเพราะฉะนั้นเอาเฉพาะส่วนที่เป็นวิบากและกรรมมารูปนะอันนั้นนะครับถึงความเป็นมนุษย์หรือเป็นเดรชาเพอไม่งั้นเดี๋ยวเดรชานมาไต่เต็มตัวไปหมดโอ้นี่เดรชาญภูมิอย่างเงี้ยยุ่งไปหมดนะครับ จาอธิบายใหม่เราฟังยังไม่ค่อยเข้าใจครับจําแนกแจกแจงยังไงคือเอาใหม่นะครับว่าไอ้คติ5เนี่ยถามว่าองค์ทำได้แก่อะไรได้แก่วิบากและการมาชรูปไอ้วิบากและกรรมาชรูปนะครับเป็นตัวกําหนดภูมินะครับไม่ใช่ที่ดินอะไรธรรมดาหรอกไม่ใช่ในส่ว น, นอื่นๆนะครับเอาวิบากและกรรมชรูปเป็นตัวจําแนกจริงๆแต่ทีนี้ถ้าหากว่าไม่เอาวิบากและกรรมาชรูปมาจําแนกนะถ้าเดรฉานมาไต่บนศีรษะห้าวนี่เดรฉานภูมินี่อยู่ตรงนี้นะ มันมนุษยภูมิหรือมันเตระฉานภูมิกันแน่ใช่ไหมครับหรือว่าคนขี่ช้างเนี่ยยกตัวอย่างเอ้มันภูมิไหนตรงนั้นน่ะใช่ไหมครับก็ต้องเอาส่วนที่เป็นวิบากและกรรมชรูปเอ่อค่ะวิบากกรรมชรูปของมนุษย์เรียกว่ามนุษยภูมินะครับวิบากและกรรมชรูปของช้างเรียกว่าเตระฉานภูมิก็แยกๆกันไปตามนั้นฉันเอาวิบากและกรรมชรูปนั่นแหละเป็นเครื่องเครื่องกําหนดนะครับหรือถ้าถ้าพูดอย่างนั้นนะถ้าพระญาตมันอยู่ในในในท้องในลําไส้เราเนี่ยนะ มันภูมิไหนกันแน่วะเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ไอไอวิบากและกรรมชรูปของพญาตเป็นต้นก็เดรัจฉานภูมิไปไวิบากและกรรมชรูปของมนุษย์ก็เป็นมนุษสภูมิมันก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นอัตถะของคติทั้ง5ได้แก่วิบากและกรรมชรูปนั่นเองในคติหเหล่านั้นพระญาณของพระผู้มีพระภาคย่อมเป็นไปโดยฐานะโดยเหตุด้วยการกําหนดวิภากษ์ เหตุและผลอันเกิดแต่เหตุนะครับคือวิพากษ์นี้แปลว่าจําแนกได้หมดนะตามฐานะของตนว่าธรรมดาว่าคตินี้ย่อมเกิดจากกรรมชื่อนี้เช่นถ้าหากว่านรกเนี่ยมาจากกรรมชื่อนี้นะเดรัราชานมาจากกรรมชื่อนี้เปรตมาจากกรรมชื่อนี้มนุษย์มาจากกรรมชื่อนี้เาากกรรทวดาชั้นจะตุมเป็นต้นเนี่ยมาด้วยกรรมชื่อนี้ชื่อนี้เป็นของตนของตนเป็นต้นเนี่ยพระองค์ก็รู้นะครับ และมูสัตว์เหล่านี้ย่อมแตกต่างกันนะอย่างนี้นะแตกต่างกันเพราะอะไรเพราะอาหารอุตุเป็นต้นเนี่ยนะเพราะอะไรพระ อ, องค์ก็รู้หมดนะรู้เป็นแผนกแผนกเพราะแตกต่างกันโดยวิภาคอย่างนี้ด้วยปัจจัยพิเศษแห่งกรรมนั้นนะครับรู้เหตุแล้วก็ผลของเหตุนั้นผู้ที่จะรู้คติคือวิบากและกรรมชรูปดีนั้นแสดงว่าพระ อ, องค์นั้นรู้กรรมเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นอย่างที่พระ อ, องค์ได้ตรัสไว้ในมหาสีหนาสูตรนะครับที่พระองค์ตรัสกับภาษาดิบุตรว่าดูก่อนสาริบุตร คติเหล่านี้มีอยู่5แลคติหเป็นไฉนได้แก่นรกกัมเนิดสัตว์เดรชานเปติวิสัยมนุษย์และเทวดานะครับสารีบุตรเรารู้ชัดนรกทางอันเป็นเหตุนำไปสู่นรกและปฏิปทาอันเป็นเหตุนำไปสู่นรกและเรารู้ชัดโดยประการที่ผู้ดำเนินไปแล้วเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรก ถ้าทำตัวแบบนี้นะปฏิบัติตัวแบบนี้พูดแบบนี้คิดแบบนี้เป็นต้นเนี่ยนี่นรกนะถ้าแบบนี้เดรัจฉานถ้าแบบนี้เป็นเปรตถ้าแบบนี้เป็นมนุษย์ถ้าทําเหตุแบบนี้เป็นเทวดาเทวดาชั้นจาตุมเป็นรูปประร ม, มารูปประรมเป็นต้นเนี่ยพระองค์ก็มองออกอย่างตลอดสายหรือแม้กระทั่งยานที่พ้นคติเหล่านี้พระองค์ก็รู้นะครับยานที่พ้นจากคติเหล่านี้นะคือมรรคยานเป็นต้นที่เป็นเหตุให้พ้นจากคติทั้งหลายเหล่านี้พระองค์ก็รู้นะครับ แต่ตรงนี้เอาเฉพาะในส่วนที่กติก็บ่งถึงว่าพระองค์รอบรู้โลกหมดเลยนะครับสัตว์โลกโอกาสโลกอะไรหมดในพระองค์รู้หมดเลยก็พระยานของพระผู้มีพระภาคเหล่านี้นั้นเชื่อว่าทองแท้ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นเพราะตรัสถึงความเป็นไปแห่งอาการอันไม่ผิดแพกในวิสัยนั้นๆไม่ให้คลาดเคลื่อนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าพระตถาคตเพราะมาถึงปันจคติปริเฉทยานยานกาหนดคติห้า เหล่านี้นะครับอย่างทองแท้แม้ด้วยประการชนนี้รู้หมดเลยนะครับรู้หมดแล้ครับประพาสมบัติอดีตชาติทําเหตุอะไรมามาทำอยู่ชาติปัจจุบันนี้ทําเหตุอย่างนี้พบน่าจะเป็นยังไงเป็นต้นเนี่ยนะมาจากอะไรทําไมผิวจึงดําเป็นต้นเนี่ยพระองค์รู้หมดนะครับเ น, นี่ยพระองค์เนี่ยรู้แตกชั้นหมดนะครับถ้าอยู่นี่จะไปถามอยู่เงมอนกเอไปทําเหตุอะไรมานะครับอ อโทษสะเป็นเหตุนะครับเลยผิวพันซามเลยนะครับถ้าโกรธต่อไปชาติหน้าก่อยแม่งงามอีกนั่นแหละมันเห็นโทษของความโกรธนะนะครับ